วันที่เจ็ดสององค์แรกของพ่อชงปรากฏเพิ่งรู้ว่าสงสารตัวเองที่ต้องลำบากลำบนตื่นแต่ฟ้ามืดมาตลอดพอวันนี้ความสงสารตัวเองหายหนไปทุกอย่างสำแดงความแตกต่างชัดกลายเป็นเกิดความกระปรี้กระเป๋าขึ้นแทนอาจเรียกได้ว่าครั้งแรกในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เข้าวันที่เจ็ดแล้ว นับแต่ปลงใจเริ่มปฏิบัติธรรมจริงจังความรู้สึกเหมือนเพิ่งสองสามวันเท่านั้นเวลาของการปฏิบัติธรรมจเจริญสติปัฐานจะผ่านไปนานช้าเพียงใดก็ตามวันหนึ่งเมื่อบังเกิดผลขึ้นแล้วมองย้อนไปก็เหมือนใช้เวลาสั้นแสนสั้นคุ้มแสนคุ้มเมื่อมีกำลังใจ ก็มีความสดชื่นปลอดปโปรง่งเห็นชัดว่าถ้าพละกำลังพระพร้อมแม้ไม่ต้องกาหนดสติมากก็รู้ลมหายใจได้ง่ายกับทั้งมีความถูกต้องกล่าวคือลมหายใจเข้านำความสดชื่นมาด้วยลมหายใจออกนำความผ่อนคลายออกไปและเมื่อลมหายใจหยุดก็เกิดความสงบสุขที่จิต ตรงนี้เข้าข่ายรู้เวทนาแบบอ่อนๆหายใจเข้าหายใจออกรู้สุกเวทนาทางกายเมื่อหยุดหายใจรู้สุกเวทนาทางใจฉันจดจำไว้ด้วยจิตว่าถ้าสามารถเห็นสายลมหายใจควบคู่ไปกับความสดชื่นในขาเข้าและความผ่อนคลายในขาออกจะทำให้สติตามประกบลมหายใจได้เอง โดยไม่ต้องนับเลขในใจช่วยสุขอันเกิดแต่วิเวกย่อมช่วย ค, คำจุนให้รู้ชัดได้อยู่แล้วไม่มีลมหายใจใดประกอบด้วยความร้อนรนไม่มีลมหายใจใดประกอบด้วยความคาดหวังเกินกว่า <forever> พึงใจที่ได้รู้ว่าลมกำลังเข้าหรือออกเมื่อแน่ใจว่ารู้ทันลมเข้ารู้ทันลมออก ได้เกือบสี่สิบครั้งด้วยความสุขกายสบายใจฉันก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าแบบนี้องค์แรกของโพชทธชงปรากฏขึ้นแล้วหลังออกจากสมาธิฉันปล่อยใจสบายสบา ย, บายก็ยังรู้สึกว่าจิตเคยชินกับการรู้ได้ไล่ทันลมหายใจเข้าออกอยู่ถือว่าผ่านขั้นแรก ของอาณาปนานสติไปได้ฉันไปทำงานด้วยความแช่มชื่นราวกับมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มีสติเห็นทันลมเข้าออกอยู่เสมอเสมอแน่นอนว่าต้องแวบไปหาคนแวบไปหางานหรือกระทั่งเผลอเมือลอยฟุ้งบ้างแต่สภาพจิตต่างไปคือมีความสดใสยอยู่ข้างในที่รู้สึกได้จับต้องได้ เห็นลมเข้าชัดเห็นลมออกชัดเกือบตลอดเวลาชีวิตแบบนี้มีได้จริงในเจ็ดวันขอเพียงแน่วแน่พอวันนี้วันอาทิตย์แต่ช่วงสายเจ้านายโทรมาตามหลายหลายคนรวมทั้งฉันให้ช่วยเข้าออฟฟิศด่วนเนื่องจากเอกสารสำคัญมีปัญหาและจำเป็นต้องเร่งให้เสร็จภายในวันนี้ มิฉะนั้นอาจต้องถูกปรับฉันก็เป็นพนักงานที่ดีเจ้านายว่า ด, ด่วนก็เร่งไปให้ยังรีบด่วนอันนี้ไม่ว่ากันเพราะเป็นกรณีฉุกเฉินนานทีปีหน้นใช่ว่าเจ้านายจะโทรมาด้วยน้ำเสียงแบบนี้บ่อยๆช่วงบ่ายหลังอาหารเที่ยงแล้วเกิดอาการหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเล็กน้อยสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณภาพจิตเริ่มเสื่อมถอย จะเหมือนมีฝ้าฟางมาบดบังทศัศนวิสัยไม่ให้เห็นลมหายใจชัดนักและตัวลมหายใจก็เหมือนรีบเล็กลงกับทั้งหยาบมากขึ้นด้วยแม้อย่างปรากฏสติรู้ว่าเมื่อใดลมเข้าเมื่อใดลมออกอยู่ก็นับว่าน้อยถ้าเทียบเคียงกับแสงสว่างก็คงต้องว่าสติเมื่อเช้าประมาณหนึ่งแรงเทียนแต่สติช่วงบ่าย แค่สักสามสิบแรงเทียนกระมังแต่พอได้เวลาทำงานพอเจองานเร่งด่วนร่างกายต้องขยับเคลื่อนไหวแข็งขันเข้าสติก็กลับมาใหม่และเมื่อฝึกให้ความสำคัญกับลมหายใจไว้หลายวันที่ผ่านมาพอถึงวันนี้อานิสงก็เริ่มออกดอกออกผลกล่าวคือ ลมหายใจปรากฏแทรกในระหว่างแห่งการคิดเรื่องงานบ่อยๆโดยที่ไม่รบกวนให้งานสะดุดแม้แต่น้อยฉันเพิ่งมีจิตละเอียดพอจะสังเกตว่าแม้อาการทางสมองคล้ายคิดเรื่องงานอยู่ไม่ขาดสายก็มีช่องว่างเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเสมอช่องว่างที่ว่านี่อาจหมายถึงการเว้นวักทางความคิด หรืออาจหมายถึงการเหลือบตาไปดูเนื้องานด้านซ้ายขวาหรืออาจหมายถึงการยกมือพลิกกระดาษเอกสารหรืออาจหมายถึงการเงยหน้าขึ้นมองผู้มาเยือนโตะจงังหวะเวลาเหล่านี้แบ่งไปรู้ลมหายใจได้ทั้งนั้นเลยใกล้เย็นคู่อริของฉันเดินเอางานมาวางให้ที่โตบอกหุน้นหว้วนให้เซนซ ทำท่าเท้าเอวอย่างกับเจ้านายฉันฉุนขึ้นมาวูบหนึ่งแค่เห็นหน้าและได้ยินเสียงเจ้าคนนี้หน่อยเดียวก็ทำให้อารมณ์เสียแล้วแต่ฉันก็ได้เห็นความแตกต่างไปกว่าเคยคือเมื่อโมโหสติจะไม่ยอมให้จิตถูกครอบงาด้วยโทสะนานนักเมื่อผุดลมหายใจเข้าหรือปรากฏลมหายใจออกขึ้นทางกายสติก็ดึงจิตไปสนใจลมแทน ฉันรับงานมาเซ็นตามหน้าที่เสร็จแล้วคู่อริของฉันก็คุยเรื่องงานต่ออีกหน่อยหนึ่งฉันรู้สึกว่าน้ำเสียงของเขาน่าฟังขึ้นแววตาที่มองฉันก็สุภาพกว่าปกติทำให้การเจรจาราบรื่นและเป็นมิตรกว่าทุกครั้งพอศัตรูคู่อาฆาตจากไปฉันก็ซึมซับความรู้สึกดีเล็กเน้อยนอยไว้ยิ้มให้กับตัวเอง จิตบอกตัวเองอย่างหนึ่งว่าถ้าใจเราไม่มีโทสะแต่มีสติสัมปะชัญญะดีขณะเจรจาน้ำเสียงก็จะราบเรียบคลื่อนจิต ท, ที่ลอยไปกระทบคู่สนทนาก็เงียบสงบเมื่อไรร่องรอยของปรปักส่วนลึกของคู่สนทนาย่อมไม่ปรารถนาจะเป็นปรปักด้วย อย่างน้อยก็ชั่วเวลาที่จิตเราดำรงอยู่ในสติสัมปะชัญญะนั้นงานเสร็จทันทุกคนสบายใจฉันกลับบ้านเข้าห้องปิดประตูล็อกตั้งแต่สองทุ่มเศษใจที่กําลังใสเบาทำให้นึกอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวหลับตากับลืมตามีค่าใกล้เคียงกันแล้วลมหายใจเข้าก็ชัดของเขาอย่างนั้นแหละ ลมหายใจออกก็ชัดของเขาอย่างนั้นแหละฉันเริ่มสนใจสังเกตว่าถึงตรงนี้จะทำความคืบหน้าต่อไปอย่างไรก็ตอบตัวเองว่าไปตามลำดับอาณาปานาสติสิหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นเพียงน้อมจิตกาหนดรู้นิดเดียวก็พบว่า ลมหายใจในปัจจุบันส่วนใหญ่ค่อนข้างยาวและยาวสม่ำเสมอไปเกือบสิบครั้งเป็นอย่างน้อยก่อนที่จะหดสั้นลงด้วยความสังเกตอยู่นั้นเองฉันก็พบความจริงประการหนึ่งคือลมยาวกับลมสั้นของฉันจะแตกต่างกันมากแสดงถึงความไม่สม่ำเสมอในลมขณะสติดีกับลมขณะหายใจปกติ ด้วยสติที่คมคายรู้เห็นชัดเจนยามนั้นฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนโง่โงทึบๆ ท, ท, ที่เพิ่งฉลาดขึ้นหลังจากถูกชี้ทางโดยพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อจะรู้ลมหายใจได้ชัดก็เมื่อลากลมยาวพอแต่เมื่อใดลมหายใจสั้นลงสติก็จะขาดหายไปและหายนานเนื่องจากลมสั้นเกิดขึ้นมาก แต่เพราะกำลังปิดตาและเฝ้ารู้ลมอย่างเดียวกับทั้งกำลังสังเกตยาวสั้นทำให้สติยังทรงอยู่กับตัวไม่หายตามลมสั้นเหมือนอย่างขณะลืมตาความจริงอันสลักสำคัญยิ่งลำดับต่อมาคือความเห็นว่าสายลมหายใจนั้นไม่ได้เป็นชุดเดียวกันเหมือนอย่างที่เคยรู้สึกมาชั่วชีวิต ตรงจังหวะที่เห็นว่าลมหายใจเข้าไปสุดแล้วต้องส่งออกมาแน่ๆนั่นแหละจุดเริ่มต้นของการเห็นอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุแล้วจะต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่ใช่ของที่มีอยู่ก่อนในกายเราไม่ใช่ของที่เราจะครอบครองและยิ่งไม่ใช่ของที่ยืนยันได้ว่าเป็นอัตตาของใคร ยังมีส่วนสํานึกของความเป็นตัวฉันที่ย้มยิ้มออกมาอย่างปีตินี่กระมังที่เรียกว่าธรรมวิจัยอันเป็นองค์ที่สองของโพชงเมื่อสติแข็งแรงแล้วน้อมจิตพิจารณาตามความจริงที่มันปรากฏแสดงความเกิดดับให้ดูอยู่ตรงตรงก็เห็นประจักษ์อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าปัญญาแบบคิดคิดมากมายเหลือจะเปรียบ ฉันไม่ค่อยตระหนักว่าตัวปีติร่าเริงแบบคนดีใจทำงานสำเร็จเสียทีนั้นเองเป็นตัวการให้องค์แห่งโพชงที่หนึ่งและที่สองหายหุนไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นใจพองฟูแบบดิบๆไปสติยังมีแต่ดึงมารู้ลมเข้าออกไม่ได้ชัดปีติชัดกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรกำลังใจเพิ่มขึ้นเหลือล้น มีความสุขยิ่งกว่าคนมาแต่งตั้งให้เป็นพระราชาอีกนะ่สรุปคืนนี้ฉันบันทึกไว้ว่าสติอันเป็นองค์แรกที่เกื้อกูลการตรัสรู้ตามแนวทางสติปัฏฐานสี่นั้นไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นโดยง่ายแต่เมื่อมีลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลาก็แปลว่าเรามีโอกาสซักซ้อมมีโอกาสพัฒนาทักษะ ขอเพียงมีใจมุ่งมั่นต่อเนื่องนานพอและสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเกิดสติมากแล้วย่อมทำให้ธรรมวิจัยบริบูรณ์ได้แน่นอนฉันรู้สึกว่าธรรมวิจัยยังไม่บริบูรณ์เพราะเพิ่งเกิดเดี๋ยวเดียวความดีใจก็เอาสติไปกินแต่ก็เชื่อว่าเมื่อสติเกิดขึ้นเป็นปกติ การพัฒนาต่อให้เกิดธรรมวิจัยย่อมไม่ใช่เรื่องเกินเอื้อมอีกต่อไปอีกประการหนึ่งฉันได้ข้อสรุปด้วยว่าเบื้องต้นนั้นฉันใช้เสียงภาคในหัวช่วยเป็นตัวเริ่มเช่นถามตัวเองว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าอีกทั้งนับหนึ่งสองสามไปด้วยมีเสียงภาคในหัว ก็นับเป็นเครื่องกำกับสติที่ดีเนื่องจากความคิดอย่างมีเป้าหมายจะใกล้เคียงกับความฟุ้งแบบสุ่มแทนที่จะปล่อยให้ฟุ้งสุ่มก็เปลี่ยนมาเป็นคิดอย่างที่จะนำจิตไปสู่วัตถุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์ได้แต่เมื่อสติเกิดขึ้นเต็มรอบแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะเห็นเสียงภาคในหัวหายไปเหลือแต่จิตใจที่สงบเงียบ อิมสติปรากฏเด่นอยู่